นาปฏิวันพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ185 1งิกษู้และพิกษุนีไปในสมัยที่ทรงอนุญาต2อพิกูตและพิกษุนีไม่ได้ชักชวนกันไป3าพิสูตไม่ได้ชักชวนแต่พิกษุณีชักชวน4ีพิสูตและพิกษุนีไปด้วยกันโดยไม่ได้นัดหมายกัน5้พิสูตและพิกษุณีไปในคราวมีเหตุขัดข้อง6กพิสูตวิกลจริต7จพิกูตต้นบัญญัติ สังวิธานาสิขาบทที่7จบ